เหตุไรในโลกของโอปปาติกะจึงสร้างบารมีไม่ค่อยได้ตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีมานานแล้วมักจะเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วจะไปสร้างบุญบารมีในโลกของโอปปาติกะไม่ได้ถ้าจะสร้างต้องมาสร้างในโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีในโลกมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นความเชื่ออันนี้ค้าพระเจ้าเองก็สงสัยเพราะเท่าที่อ่านดูในคำพีโดยทั่วไปก็ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะก็มีการทำบุญได้เหมือนกันเช่นเท้าสักกะเคยมาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าซึ่งหลังจากที่ฟังเทศแล้วก็ทำให้เท้าสักกะกลับเป็นหนุ่มขึ้นอีก และมีอายุยืนยาวอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีกนานเพราะก่อนที่จะมาฟังเทศน์นั้นความชราเริ่มปรากฏและรู้สึกว่าจวนจะจุติหมายเหตุ head, จุติคือตายในที่นี้คือตายจากความเป็นเทวดาและเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ก็ปรากฏว่าเทวดาที่ได้บรรลุมรรคผลก็มี และจากในหนังสือโลกทิพย์และจากที่ข้าพเจ้าได้ซักถามเทพเจ้าหลายองค์ก็ปรากฏว่าในสวรรค์มีการสร้างความดีได้เหมือนกันเช่นไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปหัดนั่งสมาธิทำจิตใจให้สูงขึ้นไปช่วยเหลือพวกโอปปาติกะด้วยกันหรือบางทีก็มาช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นจึงทาให้สงสัยว่าเรื่องจริงๆ จ, จะเป็นอย่างไรแน่ ข้าพเจ้าจึงได้เอาเรื่องนี้มาเรียนาถามโอปปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งท่านได้ให้คำอธิบายดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าท่านเคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ค่อยทำอะไรตามเหตุผลพวกนี้เมื่อตายไปเป็นโอปปปาติกะแล้ว ตัวเองเคยมีพื้นนิสัยมาอย่างไรก็จะทำไปตามนิสัยเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกว่ากรรมอันนั้นจะหมดส่วนผู้ที่เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนที่รู้จักบังคับตัวเองทำอะไรตามเหตุผลได้ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนประเภทนี้เมื่อตายมาเป็นออปปาติกะแล้วสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้สร้างบุญบารมีหรือสร้างจิตใจให้สูงขึ้นได้ ท่านบอกว่าข้อนี้เคยพูดถึงมาแล้วแต่สําหรับในวันนี้ท่านจะขยายความให้กว้างขึ้นไปอีกก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเสก่อนว่าสภาพร่างกายและประสาทของพวกโอปปาติกะนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจโดยตรงเช่นเราจะพบว่าบางพวกอาจจะนอนหลับอยู่ได้เป็นเวลานานนับเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีก็ได้โดยที่ร่างกายไม่เป็นอะไร ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์จะนอนหลับนานถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะอย่างน้อยร่างกายก็ต้องการอาหารต้องการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถหรือต้องการขับถ่ายฉะนั้นเมื่อถึงเวลาร่างกายก็จะต้องตื่นถึงแม้ว่าในทางจิตใจจะยังไม่อยากตื่นก็ตามตัวอย่างอีกในหนึ่งเมื่อเราเป็นมนุษย์เรื่องบางอย่างทั้งที่เราไม่อยากจะฟังแต่ก็อดได้ยินไม่ได้ แต่ถ้าเป็นโอปปาติกะเรื่องไหนถ้าเขาไม่ต้องการหรือไม่สนใจจะดูหรือจะฟังเรื่องนั้นก็จะไม่เห็นและไม่ได้ยินเลยคล้ายกับคนที่มีสมาธิดีที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกโอปปปาติกะตัวอย่างอีกอันหนึ่งเมื่อเราเป็นมนุษย์ เมื่อต้องการจะไปไหนก็ต้องเดินไปวิ่งไปหรือขึ้นยานพาหนะไปส่วนโอปปปาติกะเมื่อตั้งใจว่าจะไปที่ไหนร่างกายก็จะไปปรากฏอยู่ที่นั่นทันทีตัวอย่างอีกอันหนึ่งเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในขณะที่นอนหลับและฝันไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อถึงเวลาก็ต้องตื่นและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วความฝันก็หายไป แต่ในโลกของโอปปาติกะถ้าใครฝันร้ายก็จะอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือถ้าฝันดีก็จะฝันอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าจะสิ้นกรรมเหมือนกันท่านบอกว่าลักษณะนี้คือลักษณะสำคัญที่ทำให้พวกโอปปาติกะส่วนมากที่มีพื้นมาไม่พอไม่อาจที่จะสร้างความดีในโลกของโอปปาติกะได้ ส่วนผู้ที่มีพื้นมาดีคือมีการศึกษามาดีมีจิตใจสูงไม่ใช่คนมีทิฐิมานะและไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้คนประเภทนี้เมื่อมาเกิดในโลกของโอปปาติกะแล้วย่อมมีทางที่จะก้าวหน้าได้หลายอย่างซึ่งถ้าเทียบกับในโลกมนุษย์ก็เหมือนกับคนที่เกิดมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและพื้นเดิมก็เป็นคนฉลาดมีนิสัยดี คนประเภทนี้ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้มากเพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าการสร้างบา ร, รมีจะต้องมาทำกันในโลกมนุษย์นั้นเป็นการพูดหมายถึงคนส่วนใหญ่ซึ่งถ้าจะหมายถึงคนส่วนน้อยก็หมายความว่าการสร้างบา ร, รมีในโลกของโอปปปาติกะแม้บางคนจะอยู่ในฐานะที่จะสร้างได้ก็ตามแต่ก็จะมีขอบเขตจำกัดกล่าวคือ ถ้าสูงเกินไปกว่าพื้นที่มีมาตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วแม้จะใช้ความพยายามสักเพียงไรก็ก้าวหน้าต่อไปอีกไม่ได้ตัวอย่างเช่นผู้ที่จะสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยธรรมดาจะต้องสามารถสละลูกสละเมียและทนต่อความลำบากได้ทุกอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้สึกสงสารในมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกอย่างสุดซึง้ง ซึ่งการที่จะสร้างนิสัยอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้นั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะไม่มีโอกาสที่จะทำได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์และอีกประการหนึ่งคนที่มีพื้นจิตใจยังไม่สูงพอที่จะถึงขั้นบรรลุมรรคผลแต่ก็ทำบุญไว้มากนั้นเมื่อมาเกิดในโลกของโอปปาติกะ ก็จะเสวยแต่ความสุขจนกระทั่งไม่อาจที่จะมองเห็นถึงความทุกข์ในชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการรู้แจ้งอริยสัจและเขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไปจนตลอดชีวิตพอหมดบุญก็จุติไปเกิดในภพอื่นซึ่งจะไปเกิดที่ไหนสุดแล้วแต่วิบากในตอนนั้นจะให้ผลส่วนผู้ที่ทำบาปไว้มาก เขาก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะนึกถึงการทำความดีได้เพราะความทุกข์เฉพาะหน้าที่เขากำลังได้รับอยู่นั้นจะทำให้เขาหมกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องที่กำลังมีอยู่เท่านั้นเรื่องอย่างอื่นไม่สนใจเลยและเขาจะต้องเสวยทุกข์อยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะสิ้นกรรมของเขาจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาได้ เรื่องราวต่างๆที่ท่านการุณาอธิบายเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าฟังนี้รู้สึกว่าการเกิดเป็นโอปปาติกะนี้จะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ดีก็ได้คือสรุปแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งมีอายุสั้นมากไม่นานเท่าไหร่ก็จะละจากโลกนี้ไปมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นถ้าหากเรายังมัวเมาประมาทอยู่ คือคิดแต่สแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆไม่คิดสร้างความดีไว้ให้เพียงพอแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่น่าเศร้าและน่าสังเวชมากและการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสที่ประเสริฐมากถ้าหากเราคิดจะสร้างความดีเพราะเมื่อพ้นจากภาวะความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้สร้างความดีต่อไปอีกนานด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หการทำบุญตามความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะหมายถึงการบริจาคทานตามที่เชื่อกันว่าในโลกของโอปปาติกะทำบุญไม่ได้นั้นส่วนมากก็มักจะหมายถึงว่าในโลกของโอปปาติกะนี้บริจาคทานไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยเหมือนกันจึงได้กราบเรียนถามโอปปาติกะท่านหนึ่งและท่านก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟัง ดังต่อไปนี้ในโลกของโอปาปาติกะการบริจาคทานที่ว่าทำไม่ได้หรือทำได้ยากนั้นเพราะมีเหตุผลดังนี้คือเฉพาะโอปาปาติกะที่ไม่เข้าใจว่าชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นมาอย่างไร เสื้อผ้าอาหารที่อยู่และสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกของโอปปาติกะเกิดขึ้นมาอย่างไรพวกนี้จะไม่สามารถบริจาคทานหรือรับของบริจาคคือรับของที่พวกโอปปาติกะบริจาคให้เพราะพวกนี้ยังคงมีความคิดในลักษณะของมนุษย์ยังทิ้งความเคยชินจากมนุษย์ไม่ได้โอปปาติกะพวกนี้เป็นพวกที่อาภัพมาก ความจริงชีวิตของโอปปาติกะนั้นเกิดมาจากวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณของพวกเขาซึ่งหลักอันนี้ก็เหมือนกับในโลกมนุษย์ต่างกันแต่เพียงในเรื่องอัตราของความเร็วเท่านั้นคือในโลกของโอปปาติกะนั้นถ้าหากสิ่งใดจะเกิดก็เกิดขึ้นโดยฉับพลันส่วนในโลกของมนุษย์กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานานเช่นอย่างร่างกายของมนุษย์กว่าจะเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้นมาก็ใช้เวลาหลายเดือน ส่วนร่างกายของโอปปปาติกะเกิดสมบูรณ์ขึ้นโดยใช้เวลาเพียงขณะจิตเดียวจงสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของโอปปปาติกะก็มีกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันคือเกิดมาจากวิบาของตัวถึงแม้ความจริงจะมีอยู่อย่างนี้แต่ก็น้อยคนมากที่จะเข้าใจเพราะส่วนมากเราไปเชื่อความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส ไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของมโนสัมผัสอย่างละเอียดคือเก็บประสบการณ์ต่างๆทางประสาทสัมผัสมาใคร้ครวนพิจารณาหาหลักเกณฑ์การกระทาอย่างนี้คนทั่วไปไม่ค่อยจะทำกันส่วนที่ทำกันมากก็คือเมื่อตัวเองเห็นมาอย่างไรได้ยินมาอย่างไรก็มาจะเข้าใจเรื่องนั้นเท่าที่ตามองเห็นหรือหูได้ยิน ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจกันว่าร่างกายของเราเอากำเนิดมาจากพ่อแม่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติคือสุดแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจของมนุษย์โดยทั่วไปและเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะก็ยังเข้าใจแบบนั้นอยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ผู้ให้กาเนิดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเกิดมาได้อย่างไร และเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่คิดเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ที่ไม่มีการศึกษาเมื่อเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นจำเจ อ, อยู่อย่างนั้นแต่ก็คิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรเมื่อคิดไม่ออกก็เลยไม่คิดแต่แล้วก็จะหันไปเชื่อตามคำบอกเล่าที่สืบต่อๆกันมาซึ่งสุดแล้วแต่ตัวเองจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนกลุ่มไหน และพวกนั้นมีความเข้าใจว่าอย่างไรก็เชื่อไปตามเขาพวกโอปะปะติกะก็เหมือนกันเขามีเหตุผลเขามีความนึกคิดเป็นของเขาซึ่งเขาเองก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าความคิดอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกแต่ใครจะคิดอย่างไรก็สุดแล้วแต่ความเคยชิน ได้เคยอธิบายมาแล้วว่าพวกโอปปาติกะในเมื่อมีความคิดหมกมุ่นหรือเคยชินมาอย่างไรก็มาจะคิดแต่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากมากขอให้นึกถึงคนที่นอนหลับแล้วฝันในเมื่อเขายังไม่ตื่นใครๆก็ยากที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาในขณะนั้นได้พวกโอปปาติกะก็เหมือนพวกที่นอนหลับแล้วฝัน เมื่อเขาไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นมาจากวิบากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะก็เกิดขึ้นมาจากวิบากเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็คอยแต่จะคิดหมกมุ่นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้อะไรแก่ใครหรือรับอะไรจากใครได้เพราะเมื่อตอนยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากเราไม่ต้องการจะรับของอะไรจากใครแต่เขาก็อาจจะยัดเยียดให้กับเราได้ เช่นทิ้งของไว้ให้และต่อมาเราก็ได้ใช้ของสิ่งนั้นแต่ในโลกของโอปปาติกะทุกอย่างเกิดจากใจในเมื่อฝ่ายรับคิดว่าไม่ได้หรือไม่ต้องการจะรับของสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดเลยในเรื่องนี้ขอให้พยายามทำความเข้าใจให้ดี ตัวอย่างเช่นในกรณีของการเส้นสังเวยโอปปปาติกะที่ได้รับของส่วนมากจะเข้าใจว่าเขาได้ของที่ญาติพี่น้องให้แก่เขาหรือได้ของของคนที่ทำการสังเวยให้แก่เขาเขาจึงได้รับของชิ้นนั้นนี่คือความเคยชินที่ไปจากมนุษย์แต่ความเป็นจริงแล้วของที่คนในโลกมนุษย์ให้ก็ยังมีอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองของอย่างเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นแก่พวกโอปปาติกะนั้น ไม่ใช่ของไปจากโลกมนุษย์แต่เป็นของที่เกิดจากใจของเขาเองโดยอาศัยของในโลกมนุษย์เป็นปัจจัยเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งกำลังลุกเป็นเปลเอวอยู่เมื่อเราเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งไปต่อเข้าเทียนเล่มใหม่นี้ก็จะมีไฟลุกขึ้นอีกขอให้สังเกตว่าเปลเวไฟที่เกิดขึ้นกับเทียนเล่มใหม่นี้ไม่ใช่เปลเวไฟที่มาจากเทียนเล่มเก่ามันเป็นเปลเวไฟที่เกิดขึ้นจากเทียนเล่มใหม่นั่นเอง และที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเปลวไฟเล่มก่อนเป็นปัจจัยในทํานองเดียวกันเสื้อผ้าอาหารหรืออะไรก็ตามที่ญาติพี่น้องทำพิธีสังเวยให้นั้นก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างเดียวกันคือไม่ใช่ของในโลกมนุษย์เคลื่อนที่อยู่หรือโยกย้ายไปเป็นของอยู่ในโลกทิพย์ประเด็นนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ในโลกของโอปปาติกะที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตของตัวจึงไม่สามารถบริจาคทานได้หรือรับการบริจาคจากใครได้อันที่จริงผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะเขาก็มีการให้กันอยู่เสมอแต่ผู้ที่จะสามารถให้อะไราแก่คนอื่นได้นั้นต้องเป็นคนที่มีบุญ เพราะจากการที่เขามีบุญเขาจึงจะมีทรัพสมบัติมีเสื้อผ้ามีอาหารซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนจะดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเขาและโดยปกติผู้ที่มีบุญอย่างนี้ก็ย่อมมีจิตเมตตาเต็มใจที่จะให้อะไรแก่ใครอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงเป็นการไม่ยากที่จะให้อะไรแก่ใครแต่ความลำบากมันอยู่ที่ฝ่ายรับคือถ้าหากเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้าง เมื่อใครเข้าให้อะไรก็มีทางที่จะได้รับได้ง่ายเพราะถึงแม้จะไม่มีใครให้โดยปกติเขาก็มีของเขาอยู่แล้วอย่าลืมว่าของทุกอย่างเกิดจากใจของเขาทั้งสิน้นแม้เราจะมองเห็นด้วยสายตาว่าของที่ได้รับนั้นผู้อื่นหยิบยื่นให้ก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้ว ในทันทีที่จะรับของจากผู้อื่นของนั้นมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเองแล้วขอให้พิจารณาว่าแม้แต่ร่างกายก็เกิดขึ้นจากใจของตัวฉะนั้นของอย่างอื่นก็เหมือนกันแต่ในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจได้ง่ายนักเพราะแม้แต่ในกลุ่มของคนที่มีบุญคือมีทรัพสมบัติที่จะอำนวยความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากบุญของตัวนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในกลุ่มนี้จะเข้าใจเรื่องอย่างนี้อย่าลืมว่าความเคยชินที่ไปจากมนุษย์นั้นมีอิทธิพลมากเขาเคยคิดเคยเข้าใจอย่างไรความคิดของเขาก็จะดิ่งอยู่แต่นในทางนั้นยากที่จะถอนออกมาได้เหมือนกับคนที่อยู่ในความฝันถ้ายังไม่ตื่นเขาคิดอย่างไรในความฝันก็จะคิดอย่างนั้นตลอดไป และเมื่ อ, อยังไม่ตื่นเขาคิดผิดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะรู้ตัวว่าความคิดของตัวเองผิดแต่ถ้าหากพื้นจิตใจของเขาเคยเข้าใจอะไรถูกต้องมาบ้างแล้วในความฝันนั่นเองก็จะทำให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าคิดอย่างนี้ผิดแต่ถ้าหากเราเคยแต่เข้าใจผิดอย่างนั้นมาก่อนก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลย นี่คือสภาวะที่น่าสังเวชและน่าเบื่อหน่ายในโลกของโอปปปาติกะเพราะเหตุที่ความเคยชินที่ไปจากโลกมนุษย์มีอิทธิพลมากดังที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลที่เคยคิดจนเคยชินอยู่เสมอว่าใครเขาจะให้อะไรแก่เราก็ต่อเมื่อเราต้องมีอะไรให้แก่เขาเพราะเราเองจะให้อะไรแก่ใคร ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าเราจะได้รับอะไรจากเขาเป็นของตอบแทนสำหรับผู้ที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความโลภไม่เคยคิดจะให้อะไรแก่ใครเปล่าเปล่าและไม่ยอมเสียเปรียบใครจะต้องมีความคิดดังที่กล่าวมาอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์อาจจะเป็นไปได้ที่คนประเภทนี้ในบางขณะอาจจะมีบ้างซึ่งกันานนานครั้งที่คิดจะให้อะไรแก่ใครเปล่าเปล่า แต่เมื่อมาเกิดในโลกของโอปปปาติกะแล้วความคิดที่ว่าจะมีคนอื่นให้อะไรแก่เราเปล่าๆหรือเขาคิดจะให้อะไรแก่ใครเปล่าๆนั้นจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเลยและในเมื่อเขาเกิดมาเป็นคนยากจนในโลกของโอปปปาติกะเพราะเหตุที่ไม่ได้ทำบุญไว้ความหวังที่เขาจะได้รับของจากผู้อื่นก็มีอยู่ทางเดียวคือจากญาติพี่น้องหรือจากเพื่อนที่เขาเคยรู้สึกว่า เขาอาจจะให้อะไรแก่เราได้ในเมื่อเราไม่มีแต่จากคนอื่นแล้วเขาคิดอยู่เสมอว่าไม่มีใครเขาให้อะไรแก่เราเพราะคิดไปจากตัวเองว่าเราไม่เคยจะให้อะไรเปล่ า, ลาแก่ใครที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนที่เรารักฉะนั้นคนอื่นก็ต้องคิดเหมือนเราความคิดอันนี้ฝังใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น แม้จะมีผู้อื่นเต็มใจที่จะให้อะไรแก่เขาแต่เพราะเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดอยู่เสมอว่าตัวเองต้องไม่ได้เขาไม่ให้เราแน่และบุญที่เกิดจากการบริจาคคือการให้อะไรแก่ใครเปล่าเปล่าด้วยศรัทธาหรือด้วยความเมตตาหรือด้วยความเคารพนับถือบุญอันนี้ไม่มีเมื่อบุญไม่มีอำนาจบรรดาลที่จะให้เกิดสิ่งต่างๆตามที่ตนเองต้องการก็ย่อมไม่มี เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่ใครจะให้อะไรแก่เขาได้อย่าลืมว่าของทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะนั้นเกิดจากใจของตัวของทุกอย่างเกิดจากใจของตัวอันนี้เข้าใจยากมากท่านบอกว่าแม้ในโลกของมนุษย์ก็มีกฎอย่างเดียวกันนี้ แล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันตัวอย่างเช่นเราไปทำงานแล้วได้เงินหรือได้เสื้อผ้าอาหารซึ่งคนอื่นเขาให้คนทั้งหลายในโลกมนุษย์ก็จะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งของต่างๆที่เราได้นั้นไม่ใช่เกิดจากใจของเราเพราะถ้าเกิดจากใจของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานเมื่อต้องการอะไรก็นึกเอาแต่เพราะเหตุที่ทาอย่างนี้ไม่ได้ เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปทำงานและมีคนอื่นเขาหยิบยื่นให้ซึ่งของที่เขาให้มานั้นเรารู้ว่ามันมีที่มาของมันอย่างไรซึ่งไม่ใช่เกิดจากใจของเราเลยเป็นต้นว่าเราได้รับผลไม้จากผู้อื่นหรือได้รับเสื้อผ้ามาจากผู้อื่นเราก็รู้ว่าผลไม้เกิดมาอย่างไรเสื้อผ้าเกิดมาอย่างไรคนในโลกมนุษย์มองเห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่เกิดมาจากใจของเราแน่จะป่วยกล่าวไปยายถึงของภายนอกเพราะแม้แต่ร่างกายของเราเองซึ่งมีข้อพิสูจน์เห็นได้ชัดว่าเกิดจากใจของเราซึ่งข้อพิสูจน์ที่ว่านี้ก็คือเพราะทุกอย่างในร่างกายมีความหมายจึงแสดงให้เห็นว่าเกิดจากวิญญาณแม้ในเรื่องอย่างนี้คนทั่วไปก็ยังไม่ยอมรับแล้วเพราะเขามองไม่เห็นเขามองเห็นแต่เพียงว่า คนเราเกิดมาจากพ่อแม่และต้องอาศัยธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้และจะให้เขาเข้าใจได้อย่างไรว่าผลไม้หรือเสื้อผ้าอาหารนั้นก็เกิดจากใจเหมือนกัน ขอให้สังเกตว่าแม้บุคคลที่มีจิตศรัทธาบริจาคทานอยู่เสมอก็มีน้อยคนมากที่จะเข้าใจว่าร่างกายของตนเองเกิดจากวิญญาณของตนและทั้งๆ ท, ที่เขาทำบุญอยู่เสมอแต่ก็น้อยคนมากที่จะเข้าใจว่าบุญคืออะไรและให้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมื่อยังเป็นมนุษย์ยังเข้าใจยากถึงเพียงนี้และไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าทุกอย่างเกิดจากวิญญาณ เมื่อความคิดอันนี้ฝังใจอยู่ตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วความเคยชินอันนี้ก็ติดตัวไปแล้วลองนึกดูว่าจะเป็นการยากสักเพียงใดที่คนประเภทนี้จะเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดจากใจของตัวทั้งๆ ท, ท, ที่โลกนี้มีตัวอย่างชัดเจนมากที่แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากใจ ในเรื่องของความเข้าใจผิดที่ถอนออกได้ยากเช่นนี้ขอให้ดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือคนที่ตายไปแล้วก็ยังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายทั้งนี้ก็เพราะเขาเคยคิดและเคยเข้าใจมาว่าเมื่อตายแล้วก็ต้องศูนตายแล้วก็ต้องไม่มีตัวตนแต่เพราะเหตุที่เดี๋ยวนี้เขายังมีตัวตนอยู่และก็จำได้ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างความคิดอ่านิสัยใจคอก็เหมือนเดิม และเขาก็มีการเห็นการได้ยินไปโน่นมานี่ได้แล้วทำไมจะว่าเขาเป็นคนที่ตายแล้วคนที่ตายไปอยู่ในภาวะอย่างนี้มีไม่น้อยเลยแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายมาหลายครั้งแล้วจากบุคคลประเภทนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจผิดบางอย่างซึ่งมองดูก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆว่าเป็นความเข้าใจผิด แต่แล้วพวกโอปปาติกะก็แก้ไขตัวเองได้ยากทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุอันเดียวคือชีวิตของพวกนี้เหมือนกับคนที่อยู่ในความฝันเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นไปไม่ดีจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากและน่าสังเวชสลดใจมากจริงๆ